ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องโจรหลอกโจรภ ะ, ะชาดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่13มิถุนายน2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้น้ำบัดนี้ค่ะ นนพระกาชาดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารบว่ามีภิกษุผู้อยู่ในพระเชตวันวิหารรูปหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในการทําจีวรด้วยการตัดการขัดการจัดและการเย็บผ้าจีวรฟังนะมีทั้งตัดมีทั้งขัดมีทั้งจัด นะมีการทั้งเย็ บ, บพระภิกษุรูปนี้ชำนาญมากภิกษุนั้นย่อมเพิ่มจีวรด้วยความเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นจึงได้รับการขนานนามว่าจีวรวจีวรวักะนะวัฏกะวัก ะ, กะก็อะไรอ่ะ เ, เะเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยนะจีวรวัฏ ก, กะก็แปลว่า ผู้เจริญด้วยจีวอคืออันที่ไม่ไม่ใช่เป็นชื่อไม่ใช่เป็นชื่อของพระรูปนี้นะในในที่นี้เขาไม่ได้บอกชื่อพระรูปนี้มาแต่เขาบอกแบบว่าได้สมยาไงเพราะว่าตัดเย็บจีวรเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยตั้งฉายาให้ว่าว่าจีวอวัฏกะเป็นเหมือนอย่างกับ เ, เ, เรียกมหาเรียกอะไรไงที่มันเป็นชื่อกลางๆฉายาฉายา เออกบีมือเดียวอะไรอย่างนี้นั่นเป็นแบบชายาที่เขาตั้งให้ไม่ใช่ชื่อนะอันนี้เนี่ยภิกษุรูปนี้ก็เลยได้ฉายาว่าจีวอวัตกะภิกษุนี้ดูนะดูนะว่าเขาเก่งเขาทําเก่งอะไรเก่งภิกษุนี้เอาผ้าเก่าที่คล่ําคร่ามาทําใหม่ด้วยมือให้จีวอมีสัมผัสได้ดีเขาใช้ภาษาว่าให้มีสัมผัสได้ดี ก็หมายถึงว่าเอามาทำใหม่แล้วก็แหมดูน่าจับน่าใช้อะไรเงี้ยทำให้จีวนมีสัมผัสได้ดีน่าพอใจและเมื่อเวลาเสร็จการย้อมสีแล้วคือจีวอนเก่านะมันก็ต้องสีสีจืดนะสีซีดสีอาจจะแล้วเเทอะอะไรพวกนี้นะพอเอามาทำให้ดูใหม่เสร็จแล้วก็เอ่อพอย้อมสีเสร็จ ใช่ไหมก็มาย้อมด้วยน้ำแป้งทำไมทาไมต้องมาย้อมด้วยน้ำแป้งให้มันมันก็แน่นอนแล้วยอมยอมด้วยน้ำแป้งมันก็ต้องแข็งแน่นอนนะแล้วลยังอื่นอีกอะไรนอกจอากแข็งนะเอาเรียบเอาใช่เรียบด้วยใช่ไหมเวลารีบนี่โอ้หมันปรับเลยใช่ไหมแต่สมัยก่อนเขาไม่มีเตารีบเอานะนี่เขาแชา่ย้อมด้วยน้ำแป้งขัดด้วยหอยสั่ง อเขาไม่มีเตาลีดใช่ไหมเขาเลยใช้หอยสังเนี่ยมาขัดอมาถุแล้วมันจะมันเรียบมันด้วยมันมันดูแล้วเหมือนผ้าใหม่เห็นไห ม, ผ, หมนนนนะผ้าใหม่เขาแต่ก่อนโน้นนะผ้าใหม่เขาเขามาจะทําอย่างนั้นใช่ไหมจําได้เลยเสื้อใหม่ๆที่แรกใส่แล้วแข็งเป๊กเลยสมัยก่อนนะนะใช่ไหมเพราะเขาชอบชอบทําลักษณะเนี่ยไออะไรเนี่ย ชุบแป้งน่นะไม่ใช่แป้งโกกีนะเออลงแป้งนะพอซักไปได้ซกักสองสาครั้งอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆนิ่มนี่ค่อยๆนิ่มเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะขัดด้วยหอยสังก็ททำให้ขึ้นเงาดูเหมือนผ้าใหม่เป็นที่พอใจแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยเอาเอาของเก่ามารีไซเคิลเออ นี่จะใช้คําว่ารีไซเคิได้ไหมน่าน่าจะน่าจะใช้ได้นะฮะก็เอามาทําใหม่เหมือนกันไงนี่ก็เอามาทําใหม่แล้วจากของเก่านะอา่ารียูนี่มันเอามาดัดดัดแปลงบ้างเอามาตกแต่งบ้างแล้วก็มาใช้ใช่ไหมไอ้นี่นี่ผ้าเก่าเลยพูดง่ายๆว่าผ้ามันเปื่อยบ้างผ้ามันแย่แล้วบ้างอะ่ะเอามาทําเลยเามาทําใหม่ นะพอทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ทาเสร็จแล้วก็เก็บไว้ส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้จักการเย็บตัดเย็บกีวรก็พากันเอาผ้าสาดกใหม่ๆไปหาภิกษุนั้นโดยขอร้องว่าคนอื่นทำผ้าเก่าให้เป็นใหม่ไม่เป็นใช่ไหมก็มีแต่ว่าไปได้ผ้าสาดกนี่ก็เป็นชื่อผ้าอย่างนึงอะ่ะนะได้ผ้าใหม่มาก็ ไปหาภิกษุรูปนี้เพราะทําใหม่ก็ไม่เป็นเย็บก็ไม่เป็นอีกตัดเย็บไม่เป็นอีกใช่ไหมก็เลยไปหาภิกษุรูปนี้ขอร้องว่าพวกผมไม่รู้จักทำจีวรขอท่านจงทำจีวรให้แก็บแก็บผมด้วยเถิดภิกษุนั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจีวรเมื่อกลธรรมย่อมสําเร็จช้านะก็บอกว่าจีวรเมื่อ เมื่อกระทําย่อมสําเร็จช้าแต่จีวรที่เราทําไว้แล้วมีอยู่ท่านทั้งหลายจงวางผ้าสาดกเหล่านี้ไว้แล้วถือเอาจีวรที่ทําไว้แล้วนั้นไปเถอะนั่นก็ปรากฏว่าภิกษุรูปนี้จีวรมัทการูปนี้เวลาคนอื่นเอาผ้ามาเนี่ก็บอกว่าโอ้ยกว่าจะตัดกว่าจะเย็บกว่าจะทําอะไรขึ้นมาใหม่มันช้ามันเสียเวลา พวกท่านก็เอาผ้าใหม่เนี่ยเอาเอามาแลกพูง่าแล้วก็เอาจีวรที่เราทําไปแล้วนี่ไปเถอะเก่าวแล้วจึงนําออกมาให้ดูนะคือก็เอาเอาผ้าที่ตัวเองเนี่ยทำไวน้นะจริงๆเป็นผ้าเก่าแต่มาทําให้ดูเหมือนใหม่แล้วก็เอามาให้พวกภิกษุอื่นๆเนี่ยดูภิกษุเหล่านั้นเห็นเพียงเนื้อผ้าของจีวรภายนอกเท่านั้นไม่รู้ถึง เนื้อเนื้อแท้ภายในก็สำคัญว่าเป็นผ้าของใหม่มั่นคงดีจึงให้ผ้าสาดกใหม่ทั้งหลายแก่พระจีวรวัฏกะแล้วถือเอาจีวรเก่าเหล่านั้นไปคือจริงๆเป็นจีวรเก่านะแต่มาทำใหม่มาปรับปรุงใหม่ให้ดูแล้วมันสวยน่าใช้เหมือนเก่าเลยหรือเขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้ภาษาเดี๋ยวนี้เ็าเรียกกันเหมือนกับ ย้อมแมวอ่ะ เ, ออเหมือนกับภาษาเขาเรียกว่าย้อมแมวขายอย่างเงี้ยนะภิกษุรูปนี้ก็ทําอย่างเงี้ยจีวอปัส ก, กาแต่ก็เก่งจริงด้วยสามารถที่จะมาทําตกแต่งทําอะไรต่ออะไรจนกระทั่งดูแล้วเหมือนใหม่เลยทุกอย่างนะจนกระทั่งภิกษุอื่นเนี่ยมาจับดูแล้วโอ้โหชอบเลยพอใจว่าโอ้โหผ้าก็ดีนะใหม่เอี่ยมเลยด้วยจีวอเหล่านั้นเมื่อภิกษุนําไปซัก ด้วยน้ำร้อนเพราะเปื้อนเปรอะมันก็แสดงปกติของผ้าที่เก่าคล่ำค่าให้ปรากฏขึ้นคือเปื่อยและขาดทำให้ภิกษุเหล่านั้นต่างมีความเดือดร้อนมากมายเอาละสิว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผ้าใหม่จริงอะ่ะใช่ไหมเพราะันพอไปใช้ได้หน่อยเดียวก็เรียบร้อยก็เปื่อยขาด พฤติกรรมเยี่ยงนี้ของภิกษุนั้นเอาผ้าเก่ามาลวงภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอๆทําจนปรากฏไปทั่วในที่ทั้งปวงโอ้ยปรากฏว่าไม่ได้ทํากับลายเดียวไงใช่ไหมทาแล้วกระลุ่มนู้นก็มาอ้าวเอาเปลี่ยนไปลูมลูบนั้นก็มาก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยทำไปจนเรียกว่าภิกษุอื่นๆรู้ไปหมดเลยรู้ไปทั่วเลยหรือว่าชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นรู้กันหมดแล้วโอ้โหพะระลูบนี้นี่ นะจีวอวัฏกะรูปนี้อะไรหลอกหลอกชาวบ้านน่าดูเลยหลอกเพื่อนภิกษุด้วยปรากฏว่ามีชื่อเสียงเลยรู้กันเลยว่าพระรูปนี้นี่อย่างนี้นะตอนนี้เขาก็ตัดตัดฉากไปว่าในที่ชนบทอีกแห่งหนึ่งก็มีพระจีวอวัฏกะอีกรูปหนึ่ง มีนิสัยล่อลวงชาวโลกเหมือนกันกับพระจีวรวัธกะในพระเชตวันวิหารนั้นอ้าวปรากฏว่ามีคู่แฝดมีคู่แฝดเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เป็นเป็นในชนบทอีกแห่งหนึง่งนะคือคือต่างสถานที่กันแล้วรูปรูปที่พูดถึงที่แรกนี่อยู่ที่วิหารเชตวันนะแต่รูปนี้อยู่ในชนบท ตอนนี้ก็เป็นพระในกรุงกับพระบ้านนอกแล้วนะแต่นิสัยคือกันนิสัยคือกันคือนี่แหละทำผ้าเก่ามาให้ดูเหมือนใหม่แล้วก็หลอกชาวบ้านเหมือนกันพิสูุทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนของพิกษุนั้นพิสูุนั้นนี่หมายถึงว่าพิกษุที่ชนบทนะจึงบอกว่าได้ยินว่ามี จีวรวัฏกะรูปหนึ่งในพระเชตวันล่อลวงชาวโลกอย่างท่านนี่แหละ <c ười> คือปรากฏว่าภิกษุรูอื่นรู้ข่าวใช่ครับเหมือนกับผู้พูดซุบซิบพูดให้ฟังนะ่อเนี่ยอย่างท่านเนี่ยก็มีอีกรูปหนึางนะันที่พระมิหารเชตวันเนี่ยนะจากข่าวนี้เองพระจีวรวัฏกะบ้านนอก จึงเกิดความคิดอกุศลขึ้นว่าก็จริงๆก็อกุศลอยู่แล้วนะเพรางคนอกุศลก็คิดอะไรก็อกุศลนะจึงคิดอกุศลขึ้นว่าเอาเถอะเราจ ะ, ระเราจะประลองฝีมือหลอกลวงพระจีวรวัฏกะชาวกรุงรูปนั้นดูน่ะพูดง่ายๆมันเหมือนกับอะไรอะ่ะคล้ายๆว่าสมมตินะนี่ๆๆยกตัวอย่างเปรียบเทียบก่อนสมมุติว่าโรงครัวนี่ นะมีคนบอกว่าโอ้โหแม่ครัวคนนี้ฝีมือชั้นหนึ่งเลยนะปรุงอาหารอย่างเงี้ยแม้ผัดผัดอะไรดีผัดใบกะเพราอย่างเงี้ยหืมเนียบเลยฮนะใครกินเนี่ยซีดเลยแล้วนะซีดปากนะพอปรากฏว่าโอ้แม่แม่ครัวทางลงครัวนี้เอาละเขารู้กันแล้วก็แหมกระพือขาวคนใหญ่นะว่าโอ้นี่แหละต้องโยมอะไรดี ไม่ใช่ยมวันเอ่อใครแก้วทำเหรอนะโอ้อ้าวยกอย่างแก้วทำบอกโอ้แก้วทำอยางนี้แหละนะถ้าลองได้ผัดไปกับเพาแล้วก็ฮึคนงานนี่ไม่ไปไหนอะ <c oughs> น้ําตาไ ห, หลเลยเหรอแล้วน้ําตาไหลหายหวัดด้วยนะคราวนี้ก็กระพือไปที่ตึกขาวอาขาวนี่กระพือไปที่ตึกขาวแม้ตึกขาวก็มี ยอดฝีมือผัดใบกะเพราชนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งใครบุญเลี้ยงเหรอโอ้โหเดี๋ยวได้เรื่องแน่แหละคราวนี้อสมมตินะพอได้ยินข่าวเขานั้นแหมอย่างนี้ต้องไปประลองยุทธดูกันหน่อยละนะว่าใครจะแน่กว่าใครเนี่ยก็ทํานองนี้นี่อธิบายยกตัวอย่างสมมุตินะเดี๋ยวใครอย่าไปกระเพือข่าวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งตายเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นเองนั้นะคือให้เห็นภาพพจน์ว่าว่า ใครเนี่ยแต่ในเรื่องเนี่ยที่จริงเนี่ยเป็นเป็นภิกษุที่ไม่ดีนะอ่าเป็นภิกษุที่ล่อลวงเพื่อนภิกษุวยการล่อลวงชาวบ้านอีกด้วยซ้ำไปเพราะนั้นจะดีก็ตามจะเลวก็ตามถ้ายังมีกิเลสอยู่ในะกินเลสตัวที่เรียกว่าแหม่ข่าเนี่ยแน่มีอัตตามานะอยู่เนี่ยนะพอรู้ว่าตรงโน้นตรงนี้มีคนแน่อยู่อีกเหมือนกันนะแล้วโดยเฉพาะ อะไรอ่ะเป็นเรื่องแบบเดียวกันอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องแบบทํานองเดียวกันเนี่ยมันก็ชักจะขึ้นถ้าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยมันจะ ช, ช, ชักจะขึ้นอย่างเป็นปกติธรรมดาถ้าระวังตัวไม่ทันหรือว่าจับจิตตัวเองไม่ทันเนี่ยนะมันมันท้าทายในใจจริงจริงมันรู้สึกว่าแหม่น่าจะไปลองดูนะดูซิว่าใครจะแน่กับกันอาจจะไม่มาเองอนะอาจจะผัดเสร็จแล้วก็ส่งจานมา บอกนะเอาไปลองดูสิไปให้แม่ครัว ท, ทั้งนั้นชิมดูสิฝีมือฉันเป็นยังไ ง, ไงก็จะมีการประลองเนี่ยเกิดขึ้นถ้ากิเลสตัวนี้มันอยู่อัตตาบรณามันมีอยู่มันไม่ยอมนะมันมีตัวว่าข้าต้องใหญ่ข้าต้องเก่งกว่าคนอื่นนะตอนนี้นี่ตะ ก, กี้สมมุติไปเรื่องเรื่องอาหารการกินแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้บางทีเรื่องอื่นไม่ต้องเรื่องอาหารการกินเลย เรื่องแค่บางทีแค่อะไรอ่ะเรื่องของความคิดเห็นแค่เรื่องความคิดเห็นนะนะว่าเออเรามีความคิดเห็นอย่างนี้เราว่าความคิดเห็นเราเนี่ยแน่ละคนอื่นเขามีความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่เขาคิดเห็นอย่างอื่นอีกเขาก็ว่าเขาแน่เียเราก็รู้สึกว่าเอออย่างนี้ก็ต้องมาลองคุยกันดูหน่อยละว่าความคิดเห็นใครจะแน่กันเนี่ยแม้เรื่องความคิดเห็นเรื่องที่บางทียังไม่ยอมเลย อย่าพูดไปถึงเลยเถิดไปถึงเรื่องวัตถุเลยแค่เรื่องความคิดนี่บางทียังไม่ยอมกันเพราะันเราต้องตามจิตให้ทันแล้วก็จับให้ได้ว่าเออถ้ามันเกิดมานะพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยระวังให้ดีนะพเจ้าที่ท่านสอนให้ลดอัตามานณะไม่ใช่ให้ไปเพิ่มเพราะถ้าเรารู้ตัวเราจับได้ทันเนี่ยหัดอ่อนนอน่ถอมตนหัดยอมเล็กให้เป็นยอมเย็นให้ได้ แต่ตอนนี้นี่ไม่ยอมพิสูจน์จีวรวัฏกะบ้านนอกนี่ไม่ยอมนะว่าจะต้องไปประลองดูแลแล้วก็ลงมื อ, อพอคิดขึ้นมาแล้วก็เลยต้องลงมือใช่ไหมแล้วก็ลงมือกระทำจีวรเก่าให้สวยงามเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะเอาเลยคิดล้เพราะว่าจะไปปราบเสียนนี่ใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจะไปปราบเสียนให้พร้อม นะก็เอาผ้าเก่าเนี่ยมาทําให้ไหม่ให้สวยแล้วย้อมอย่างดีแล้วพอย้อมเสร็จคราวนี้จะไปป่าเสียนนี่วางแผนการไปละพอย้อมให้สวยอย่างดีเสร็จนะทําอย่างดีแล้วก็ห่มไปเลยคลองไปเลยคลองผ้งาจีวรนี้ไปเลยได้ห่มจีวอนนั้นเดินทางไปยังพระเชตวันวิหารพอเดินทางไปถึงแล้วก็ เมื่อได้พบกันเข้ากับพระจีวรวัฒกะชาวกรุงพอได้เห็นจีวอพอพอคือพอไปเจอกันเข้าใช่ไหมจีวรวัฒกะชาวกรุงเนี่ยพอเห็นพอเห็นจีวรวัฒกะชนบทนี่เข้าเท่านั้นเห็นโอ้โหเห็นจีวรที่ห่มมาเท่านั้นเองอะ่ะก็เกิดความโลภอยากได้อย่างแรงกล้าคือแสดงว่าจีวรวัฒกะ ชาวชนบทเนี่ยชาวบ้านนอกนีินะทํามาชนิดที่เรียกว่าต่อยสุดพีมมือนะบอกเลยว่าวันนี้ใส่เต้าเจี้ยวใส่ซีอิ๊วสุดหนึ่งอ๋อใส่เครื่องปรุงเนี่ยเออใส่เครื่องปรุงอย่ า, เเ ง, ง, ยางเต็มที่เลยนะกะเรียกว่าวันเนี้ต้องเผด็จศึกคู่ต่อสู้นะให้กินกันชนิดที่เรียกว่าอะไระน้ําตาหยดเหรอน้ําลายหยดมากกว่ามือ่อนะไปคือไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่น คิดแต่เรื่องเอาชนะน ะ, ะปรุงไปให้เขายิ่งมีกิเลสเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้นึกถึงการลดกิเลสนึกถึงเแีย ว, ว่าปรุงไปแล้วเนี่ยชนะใจเขาเขาได้สมกิเลสยังไงเขาถูกใจยังไงคือคิดแต่เรื่องเอาชนะอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องบุญเรื่องของการมาลดไลกกิเลสอะไรเลยเห็นไหมว่าว่ามันต่างกันถ้าเป็นคนดีหรือว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องคิดว่าเออเราทําอะไรไปแล้ว ใช่ไหมต้องให้มันพอดีพอเหมาะที่ทําไปแล้วเนี่ยเขาได้ลดกิเลสของเขาลงมาด้วยอันนี้ถึงจะถูกต้องนะแ ต, แต่เราต้องดูฐานะดูบุคคลด้วยอย่างเช่นบางทีเราทําอาหารให้ช่างอย่างเงี้ยก็ต้องนึกดูว่าเออช่างเขาเนี่ยอะไรอะตามฐานศีลของเขาตามฐานะเขาเขามีขีดความสามารถขนาดไหนเขากินแบบลดละกิเลสได้ขนาดไหนแล้วก็ปรุงไป ให้เขากินได้ใช่ไหมแต่ในขณะที่เขากินได้เนี่ยเขาก็ได้ค่อยๆฝึกลดลงไปด้วยนะเราดูว่าต้องเขากินได้ด้วยไม่ใช่โอ้โหทาอาหารให้ช่างก็เอาเลยไม่ต้องใส่ซีอิว๊วไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่พริกป่นไม่ต้องอะไรเงี้ยเอาแบบให้บรรลุอ า, อาหารไปเลยนะโทช่างเขายังไม่ได้ปฏิบัติทำอะไรมากมายเขาไม่ได้ถือศีลอะไรกันนักกันหนาใช่ไม ว่าไอ้อย่างนี้นี่เลยเถิดไม่พอดีไม่พอเหมาะทําไปแล้วอย่างนี้อีกหน่อยเขาเลิกช่วยงานเลยเขาเขาไปทํางานก่อสร้างที่อื่นดีกว่าไอ้อย่างนี้แสดงว่าเราประมาณไม่เป็นเพราะฉนั้นทําแล้วเนี่ยมันต้องพอเหมาะต้องพอดีประมาณไปว่าเออคนนี้สมมติถือศีลห้านะควรจะทําอาหารระดับศีลห้าให้คนนี้กินแล้วก็ลดลงมาหน่อยนึงนะเรื่องรสชาติให้เขาได้กินระดับนี้แล้วเขาจะค่อยๆฝึกตัวเขา ขึ้นมาเจกนกระทั่งถ้าเขาเกิดขึ้นไปสินแปดเราค่อยทําอาหารแบบระดับศินแปดให้เขากินนะไม่ใช่เ อ, อใครมาไม่สนใจใครจะสินเท่าไหร่ฉัน้ทำปรุงสุดฝีมือกินแล้วต้องติดใจฝีมือแม่ครัวอย่างฉันนะจะแม่อะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างเนี้ยแสดงว่าเราเองเรายังปฏิบัติธรรมโดยที่ยังไม่เข้าใจคําว่าบุญนะบุญนี่มันต้อง เป็นเรื่องของการลดกิเลสด้วยแต่บอกแล้วไงเราก็ต้องดูความพอเหมาะตามฐานะด้วยอย่างบางทีเด็กกินอย่างเงี้ยเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรมากินอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเด็กเขาก็ยังมีกิเลสอยู่มากทําอาหารอะไรไปก็ต้องพอดีพอเหมาะสําหรับเขาเหมือนกันที่เขากินได้แล้วเขาก็ได้ลดกิเลสลงมาบ้างนะ ท, นทีนี้เทียบหน่อยค่อยๆลดลงมาไม่ใช่อยู่ดีๆก็โอ้โหเต็มที่เลยบางทีเลยอยู่วัดไม่ได้เลย เลิกเรียนสมาธิขากันพอดีนะเพราะฉะนั้นมันมันต้องรู้ระดับรู้ความพอเหมาะด้วยไม่ต้องเอาเด็กเราเอาผู้ใหญ่ก็ได้ลองทำสิเอาให้จืดสนิทเลยนะให้บรรลุทำภายในวันเนี้ยไม่ต้องวันอื่นแล้วมันช้านักอยู่ว่ามาเป็นสิบปีแล้วไม่บรรลุทักทีนะเอาเลยจัดอาหารชุดพิเศษชุดนี้ชื่อว่านิพพานทันใดนะทำไปเลยเอาไวให้กินแล้วก็จะบรรลุ มันมันไม่เป็นอย่างนั้น่ะมันก็ต้องมีขั้นมีตอนนะก็ต้องมีระดับแต่ว่าอย่าเผลอ่ยบางทีมันเผลอเราลืมบางทีเราก็เลยกลายเป็นไปทำตามใจกิเลสเข้ามากเกินไปจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าทำไปแล้วเนี่ยเพิ่มกิเลสเข้ามากเกินไปแทนที่จะเออค่อยเป็นค่อยไปนะให้เขาได้ลดบ้างเล็กๆน้อยก็ยังดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหัวภาพ นะแต่บางทีเนี่ยเราเผลอไปว่าไปตามใจจนมากเกินไปจนจนเรียกว่าแทนที่มันจะพอเหมาะกับการที่เขามาอยู่วัดนะเอาสมมติว่าคนวัดอย่างเงี้ยมาอยู่วัดควรน่าจะกินอาหารระดับระดับคนวัดนะว่าควรจะเออซีอิวนิดหน่อยขนาดนี้นะอา่าเกลือสักแค่นี้นะน้ําตาลอ้อยสักแค่นี้นะเออแค่นี้คนวัดน่าจะกินระดับนี้มาตรฐาน นะอย่างน้อยใครมาอยู่วัดควรจะกินระดับนี้ไดเ้เราก็ควรจะทำระดับนี้เป็นมาตรฐานไปก่อนใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องมีการคำนึงถึงถ้าเราคำนึงถึงอย่างนี้แหละนะคนที่มาอยู่วัดกินอาหารก็จะได้เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเราไม่ได้ฝึก อ, อะไรเขาเลยหมายถึงว่าเรื่องอาหารนะโอ้เราทำอย่างอย่างอร่อยอร่อยอย่างชนิดที่ว่ากินแล้วติดใจเงี้ยโอ้โหอย่างนี้ กิเลสไอเรื่องนี้มันก็จี๋จ๋าเลยสิอย่างนี้แล้วก็ไปไม่รอดต่อให้พระท่านเทศอย่างไงก็เถอ ะ, อะลถอย่างงี้นะกิเลสนะไ อ, นไอ้นี่อย่างงี้นะแต่ปรากฏว่าโอ้โหอาหารทีส่ส่งเข้าไปหนุนภายในร่างกายภายในจิตใจเขานี่แหม่มันปีเปมันเต็มที่มันจะไปลดลงได้ยังไงมันก็ลดไม่ลงยกเว้นว่าคนคนนั้นเนี่ยมีวัคซีนมีภูมิทางจิตใจเองคือ แม้ว่าเอาแหละแม่ครัวเกิดทาอร่อยมาแต่เขารู้ใช่ไหมมันเขารู้เขาก็ป้องกันเองโอ้ไอ้นี่อร่อยนะักเว้นไปซะไม่กินกินอะไรที่มันลดละหรือบางทีกินโดยวิธีอะไรบางทีเขาใช้วิธีอะไรที่ทเขาที่เขาใช้กันอย่างเช่นโอ้ไอ้นี่รสมันจัดนะักอ้าวเติมน้ำเปล่าอ่าหรือว่าผสมคลุกไอ้นั่นคลุกไอ้นี่ให้มันเสียเสียรสชาติเสียรูปทรงเสียอะไรไปบ้าง เพื่อที่เป็นการฝึกอย่างนี้แหละนะแสดงว่าคนนั้นฉลาดแม้ไม่แม้ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้ช่วยในการอาหารการกินเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้กับเขาแต่เขารู้จักช่วยตัวเองนะคนนี้ก็ถือว่าเก่งในการปฏิบัติธรรมเอาแล้วนะตอนนี้พอจีวรวัฒกะเมืองกุงโอ้โหพอเห็นเครื่องนุมหม่ม อย่างสวยงามของจีกรจีวรวักะชนบทนี่แล้วใช่ไหมชอบเลยอยากจะได้ก็พูดเลยล่ะเรียกว่าพอเห็นพับก็ติดใจปุ๊บพูดทันทีเลยท่านผู้เจริญจีวรนี้ท่านทําเองหรือพระจีวรวัฒกะบ้านนอกกล่าวว่าขอรับท่านผู้มีอายุผมทําเองพระจีวรวัฒกะชาวกรุงกล่าวว่า ท่านผู้เจริญท่านจงให้จีวรผืนนี้กับผมเถิดโอ้ให้เห็นเลยนะให้เห็นนิสัยเลยเห็นแค่นี้เจอแค่นี้เพิ่งเจอนะถามแค่นี้ท่านทำเองเหรอพอเขาตอบว่าใช่ผมทำเองขอดือด้ อ, อเลยขอผมจีวรเนี่ยโอ้ยอะไรจะขนาดนี้อแตมาว่าแหมคือจริงๆนย่แค่นี้ก็สอนนิสัยแล้วนะสอนนิสัยว่าอะไร สอนนิสัยว่าขี้โลภมากเลยอืภิกษุจริงๆนี่จะไม่นะไม่สอนนิสัยนะแม้แต่เพียงแค่เนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยจะไปบอกโยมนะโยมอย่างง้อนอย่างงี้เอาไอ้นูนมาสิทําไม่นี้มาสิอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลยนะไม่ได้ถือว่าถือว่าอะไรอะจะถือว่ายังไงมีความผิดอะนะนะมีความผิดใช้ไม่ได้ ไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปขอบอกไอ้ทำไม่นั่นทาให้นี่มาให้กินสิไม่บอกแล้วนะถ้าใครบอกนี่แสดงว่าแมมแย่แล้วน่าอายยกเว้นว่าแบบว่าท่านจะวิจารณ์นะว่าเออไอ้นั่นไอ้นีหน่หรือว่าเวลาเทศท่านจะพูดท่านจะบอกอะไรอย่างนั้นนี่อีกเรื่องนึงนะนั่นก็เป็นเรื่องของการเทศการบอกสอนการแนะอะไรไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ว่า อยากจะกินแล้วก็แหมมาบอกว่าเออไปเอามาให้กินหน่อยสิไอ้นี่ไอ้นั่นเน่ะเพราะกินเลวอยากจะกินนี่นะโอ้ยน่าอายมากนะเป็นเป็นพระแล้วจะไม่ทำแต่นี้นี่ก็ขอเลยขอขอดื้อเลยพัจิวอนพัทธกาบ้านนอกกล่าวว่าผมเป็นพระบ้านนอกหาปัจจัยได้ยากผมให้จีวรผืนนี้แก่ท่านแล้วตัวเองจะห่มอะไรเล่า ใช่ไหมสมัยก่อนนี่เป็นยังไงสมัยก่อนภิกษุใช่ยังไงฮะเอ้ยใช้ผ้ากี่ผืนใช้ผ้าสามผืนนะแต่จีบอนี่จีบอนี่เป็นไงจีบอลนี่ผืนเดียวว่าเนี่ยภิกษุนี่ก็บอกว่าโอ้ยขอจีบอผมไปแล้วผมจะเอาอะไรมาห่มแล้วใช่ไหมอาตมา ถ, ถึงบอกว่าโอ้ยแย่มากเลย ขออย่างนี้นี่แสดงหเห็นความโลภแล้วก็ความที่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นเขาเลยว่าเขาจะยังไงนะจริงๆอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้ามีสํานึกอยู่ในใจหน่อยเออผมจะเอาอย่างอื่นมาแลกหรือว่าอะไรใช่ไหมเออก็มเป็องอีกอย่างหนึง่งยังไงก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจคิดถึงคนอื่นบ้างแต่อันนี้เหมือ น, นเหมือนกับว่าสมมติว่าเห็นคนอื่นนุ่งเสื้อผ้ามาอย่างเงี้ยขอเสื้อผ้าผมเหมออเสื้อผ้าคุณสวยดีไม่คิดเลยว่าเอาขอเข้ามาแล้วเขาจะนุ่งอะไร เขาไม่มีอะไรนุ่มนะสิใช่ไหมเหมือนกับอย่างนั้นน่ะมันโอ้ยอาจารย์บอลถึงบอกว่ามันไม่เข้าท่าอะไรเลยคือให้เห็นเลยให้เห็นนิสัยเลยว่าโอ้โหคนนี้นี่โลบจัดมากไม่ได้มีน้ําจิตน้ําใจคิดถึงคนอื่นเขาเลยเพราะบางทีเนี่ยเสียงสองเราฟังรู้เราฟังทันมันก็พอจะจับได้แล้วว่าโอ้โหคนนี้ทําไมนิสัยอย่างนี้นะนะนี่ก็เลยอ้างอะ่นะน้าจีบอล พัจิวรวัฒกะเนี่ยบ้านนอกก็เลยอ้างแล้วผมจะห่มอะไรเล่าพัาจิวรวัฒกะชาวกรุงกล่าวว่าผมมีผ้าสาดกใหม่ๆ ม, มากมายท่านจงถือเอาผ้าสาดกเหล่านั้นไปกระทําจีวรของท่านใหม่เถิดนะจะเอาไปตัดเจ็บจะเอาไปอะไรก็เอาเลยคือให้เห็นว่าแสดงว่าฝีมือของพัจิวรวัฒกะบ้านนอกนี่ทำมานี่แน่ เฉียบขาดมากเลยสวยงามมากจนขนาดนี่เขาก็เป็นมีฝีมือเหมือนกันใช่ไหมเอเขาก็เป็นนักธรรมเหมือนกันนะแต่พอเห็นแล้วโอ้โหติดใจเลยแสดงว่าฝีมือของพระชาวบ้านนอกนี่ยอดยอดกว่าถ้าถ้าถ้าจากเนื้อเรื่องนี้นะต้องถือว่ายอดกว่าพระจีวรวัฒกะบบ้านนอกจึงกล่าวว่าผมเองก็มีฝีมือในการ ทำจีวรก็เมื่อท่านพูดอย่างนี้ผมจะทำอย่างไรได้นะภาพลุคนี้ก็แก้งเหมือนกันแก้งทำเป็นอ๋อก็ผมเองก็มีฝีมือทำหมายถึงว่ามีฝีมือการตัดเย็บทาจีวรได้อยู่ออนั่นเสนอจะให้ภาษาดกใช่ไหมบอกว่าล้วท่านก็ไปตัดเอาเองแล้วกันบอกว่าโอก็ท่านพูดอย่างนี้ท่านขออย่างนี้ผมจะไปทำยังไงผมก็คงต้องให้ท่านนั่นแหละ แล้วให้จีวรที่ทำด้วยผ้าเก่าแก่พระจีวรนบัตกะชาวกรุงนั่นไปตนเองก็แลกเอาผ้าสาดกใหม่ๆมาแล้วรีกไปพูดง่ายว่าจีวรบัตกะบ้านนอกนี่ก็หลอกสำเร็จนะเพรายพอได้ผ้าสาดกใหม่มาก็แนบเลยเาหายหายแนบฝ่ายพระจีวรนบัตกะผู้อยู่ในพระเชตวันก็นาจีวร น, นั้นมา มาหม่มคือมามาใช้นั่นเองมาคลองพอล่วงไปสองสามวันจึงซักด้วยน้ำร้อนพอปรากฏเห็นว่าเป็นผ้าเก่าคลํำคล่าก็ละอายที่โดนหลอกพอรู้ว่าโดนหลอกเนี่ยเป็นยังไงอายแล้วนะก็คงเป็นไปได้ด้วยนะที่เรียกว่าก็คงแหมโกรธแค้นน่ะเพราะว่า พูดงไงว่าโดนเขาเรียกอะไรเสียเหลี่ยมเออเสียเหลี่ยมนะโดนหักเหลี่ยมโดนหักเหลี่ยมโดนโดนหักเหลี่ยมไปก็เสียหน้านะอายตอนนี้ข่าวนี้ถือว่าข่าวใหญ่หน้าหนึ่งนะข่าวใหญ่ระดับหน้าหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะโจรโดนโจรหลอกเออโจรโจรโจรในกรุง โดนโจรบ้านนอกหลอกเอาโอโหเรื่องนี้ข่าวใหญ่นะเอาใช่ไหมเพราะปกติส่วนใหญ่เขาอะไรคนกรุงไปหลอกคนบ้านนอกใช่ไหมแต่คราวนี้โจรบ้านนอกหลอกโจรในกรุงสําเร็จก็ข่าวใหญ่ทีขันข่าวเรื่องนี้ได้กระจายไปในถาำการสงว่าเขา ว, ว่ากันว่าพระจีวรนบัติกะผู้อยู่ในพระเชตวันถูกพระจีวรนบัติกะบ้านนอกหลอกลวงเอาแล้ว แม่ขาวก็ไปใหญ่เลยก้อนนี้